ปัจจุบันนั้นทปัจจุบันนั่นปัจจุบันนั้นทไม่ห่วงก็ดีไม่ห่วงอนาคตไม่ห่วงเรื่องราวอะไรทั้งหมดยิ่งดดก่อนหลักทำหรืองานตนที่กำลังทำในโลกปัจจุบันจะเป็มอในนั้นจะอยู่ในตรงนั้นความรู้ทั้งหมดจะอยู่ตรงนั้นไม่เป็นห่วงก็ดีนอนาคตกับอารมณ์ใดๆขึ้นขึ้นมากป็ สิ่ทำลายรลบล้างงานที่กลังทำอยู่ให้เสียไปที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันนสิตปัจจุบันนัสธรรมทำอะไรเมื่เต็มเมตเตามหนไม่ห่วงไม่ใยอะไรแม้ขนาดที่นํานั้นไม่ไดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นมีแต่อันเดียวนี้เท่านั้นมีแต่อันเดียวนี้อันเดียวนี้ทําอะไรเป็นอันนั้นเท่านั้นเท่านั้นเนท่านั้นไม่ยืนอื่นที่เขมาลุ่มเยิ้มวุ่นวายที่ทําคิดไม่แท้ทําคิดที่มาคอยทําลาย ไม่แฝดมาทําลายมีแต่งานนั้นดูเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดมันทําให้คิดเองหนึ่งหนอมันเป็นในหัวใจถึงนะอดีตอนาคนไม่มีความหมายอใครจะอดีตถ้าไม่ใ่หัวใจคิดไปเรื่องอดีตไม่ใช่หัวใจคิดไปเรื่องอนาคตไม่ใช่หัวใจเป็นตัววุ่นวายภายไปมุนเป็นตัววุ่นวายนะเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วมันจะไปอะไรก็ไปเถิดอนาคตถ้าไม่ให้ไปด้วยเหตุผล อดีตก็ไปได้ด้วยเหตุผลอนาคตก็ไปได้ด้วยเหตุผลเมื่อเหตุผลมันลงในปัจจุบันมันก็เหมือนไม่มีอดีตอนาคตมันก็ลงปัจจุบันหมดไม่มีแรมาดึงมาหนุ่มาเหนียวโลกทั้งหลายถามโลกอันนั้นพอตามเกิดมันไม่มีอำนาจมันเหมือนไม่มีมีแต่ความรู้อันเดียวที่เด่นอยู่แค่นั้นเป็นไม่เป็นหนุ่มตัวเองไม่รถไม่มีการไม่มีสถาม ท, ที่ร่ำเวลาแล้วมายุ่งมากวีมาทําลาย เราทำอะไรก็ทำตามนึ่เต็มเม็ดเต็มหน่อยในหลักปัจจุบันหลักปัจจุบันอืนเห็นก็ในเจ้าของมันต้องพูดเต็มเม็ดเต็มหน่อยเต็มปากมันไม่เห็นแล้วก็หลังมานรูปคาํคาคําบ้านมันไม่รู้ดีเห็นอืมันไม่สงขยัยหรือสงขัยอะไรหรือเต็เตมใน ห, งงหัวใจแล้ว ผมจไมะไม่ต้องใส่อะไรจะต้องส่ในกนี้มีใจดวงเยเท่านั้ น, รนรหรอมีขีออเล็กมันเป็นเจ้าเล่เห์เจ้าเล่นี้ถไล่มันออกหมดเลย้วยะไมาเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าเหี่ยมอย่างนั้นีแต่ทำล้วนแล้วมันก็มีอะไรมาดึงมาดูดได้ีเหลเป็นเครื่องดึง ด, ด, ดูดดูดกันไปนู่นดูดกันนี่ลักผ ก, กไปนี่ถ้านั่นไม่มีแล้วเราจะลักถ้าเราจะมาดึงดูดแต่พูดว่าดึงดูดมันความจริงมันผักนะ อยากให้ตุงเรื่องนั้นถักอัากให้ปุงเรื่องนี้จิตเป็นอยู่กับเรื่องตลอดเวลาเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้เรืงนี้ต่อเรื่องนั้นมิตรเป็เรื่องขันหลอกเรืองของเป็นมโนภาพเรื่องรานั้นเรื่องามีคนนั้นคนนี้บ้านนั้นเมืองนี้อดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องของตัวที่เคยเห็นอะไมันก็เป็นลากออกมาตุงมาปุ้มมาอยู่ในตัวเองเงียเรื่องนั้นอาจารยมันหายไปไหนแะครับปุ้มขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นน้ำเหมือนสดร้อนๆนั่นนะ มันจะเห็นที่สุดมันน้มันก็เป็นเรื่องจิตธรรมนั้นนี่เหือนเรียนิชาสิตมันรู้กันอั่งนั้นเลย้อถึงขั้นจะรู้มันก็รู้ขั้นถึงขั้นสติปัญญาตัณหามันก็ถึงเรื่อนี้รู้กันแหละไตมีการสื่อเรนี้เรอกก็สื่อเรือนี้เรก็ตะเข้าไปก็ลงไปหาหลักหาลำใหญ่มันออกมาจากไหนออกมาจากจิตจิตนี้เป็นจิตอะไรเป็นจิตอวิชชาเนี่ย ลงไปตรงนั้นลงไปตรงนั้นไล่เพื่อเราลงไปตรงนั้นไล่เพื่อเราจะลงไปตรงนั้นและครั้งแรกผมก็เพียงแยกกึ่กระทันแยกกระทันกกะทนะเพราะตัวหนึ่งตัวตามตอดตามต็ตามพาดตามฟันอย่างไม่ลดไม่ละเป็นไปด้วยกำลังความมุ่งมั่นอย่างจริงอย่างจั ง, น, น, งนั่นเป็นไปด้วเล็งเล็งและครั้งแรกผมก็ไปมันก็ถึงกันถึงกันแล้วมาทาลายกันได้ พอทำลายโครงวัตถุจเสร็จไปแล้วเหมือ น, น, นกับกโรงงานอืมระเบิดนินเนเวเคลียร์นั้นได้ถูกทำํำลายหมดแล้วโรงงานยาผิดโรงงานผิดิดยาผิดขึ้นมาได้ถูกทำลายแล้วมันก็ว่างหมดเลยดิถึงสองขานจะคิดขึ้นมาก็เป็นยับ หาหลักหาเกณฑ์หาต้นหาเต่าไม่มีเพราะมันไม่มีต้นต่อต้นต่อของหัขงขานตัดแทะที่จะให้เป็นเรื่องของพิเดตมันคืออวิชาคือตัวพิเลตอันเป็นพื้นเพลเดิมมันผลิตออกมาให้จิตนั้นสำคัญนั้นสาคัญอยู่พอทําลายนั้นแล้วที่เหลือแต่จิตเป็นอล้วนทำเรื่อล้วนแล้วหลังฐานปุงขึ้นมาปุงขึ้นมาแล้วสักแต่ว่าปูงแล้วเกิดดับเกิดดับติดตัด้งนิสัยท่องมัน อั น, นี้มันเป็นตามธรรมชาติเราใหยรู้ว่ามันเป็นตามธรรมชาติไม่มีอะไรเราบังคับมันให้เป็นต่อันนี้ ก, กิเลสก็คือกิเลสบังคับมันอยู่ทุกระยะให้ตรุงให้แต่ในสำคัญมั่นหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาทหลายนะรัรงแห่งยับคพิษหมดแล้วว่างตัว่า ง, ว, า ง, ว, างว่างนี้ในใจนั่นเองว่างที่ไหนว่างจากจุดที่มันเคย ผิอยาพิษมันนั่นโรงงานมันอยู่ตรงนั้นทําลายเอาหมดนี่มันก็ว่างเลยถ้ามีช้างขามันจะปูุงมาที่ไหนมันก็ปรุงให้มันได้แต่มันมีอะไรมาเป็นผู้บงการบังคับที่เคยเกิดพิษเกิดไทยเหมือนแต่ก่อนนทําบังคับให้ปรุงนี่มันก็ไม่มีอะไรที่จะให้เป็นพิษนอกจากว่าทําไเมื่อทำเป็นเจ้าขององขังทํากว่าช้างขัน หลวงพ่อเทศนาสั่งสอนสัดตวโลกทั้งหลายนั่นแหละชงใช้สังขารปัญญาสังขารินด า, า, าณออกมาใชา้ไปยินการปสืการตอบรับกันเกี่การถามการตอบปัญญาความจดจําได้บ้านนั้นบนคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ความปรุงก็ปรุงเรื่องอัดเรื่องทำแนะนําสั่ถอนทําเป็นเป็นเจ้าของ พอหยุดนิ่งเงี้ยมก็ยิ่งยั้ยิ่งไตามธรรมชาติข้งมันไม่เป็นที่เป็นไยเหมือนที่เด็กเป็นเจ้าตัวการเป็นเจ้าของบังคับเห็นมันผิดกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งกล้าพูดว่าขันก็เป็นขันร้อนร้อนและจะไปหาในะจับคัมภีร์บมหน้าบัวไม่เจอเนาะขันนิกลายเป็นขันร้อนร้วนไปผมก็เองก็ไม่เห็นในคัมภีร์แต่มันเห็นในนี่จะว่าไง เนะันเห็นไหมนะ อ, อะไรเั็นพิษเป็นหมดกระพิก็กกมาเผาตัวเองเนี่จะเผาใครพอยาโรงยาพิษลิโรงผิกยาพิษ ก, ก็ถูกถูกทำลายไปแล้วกตายเป็นฐานร้วน ปรุงอะไรปรุงไปผาเนี่ยหาเนี่ยหาเนีย่ยมันได้เป็นปัญญาลมสังจิตฝังใจให้เกิดความกดท่วงเกิดความทุกข์ทรมานทานณาจิตใจเหมือนแต่ก่อนปรุงไประดับไประดับไปมันมก็เหมือนเบตทิเบตเทานะเตัวความปรุงมันก็มนมนไม่สราบความหมายของมันทิยบตทิเยียบเบตเนาะถึงอันนี้มันถึงวันมันสลายจากกันมันก็จะอยู่แน่ ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นประยันต้องเถียงออกนั่นนะมันเอาอะไรไีกนำมึงน้าโอ้จิตเปน้าจิตนะเมื่อไรจะจบสิวางกันเถอะเอาบักเทวะชัดเออมึงรักมึงนะเรี่ยงการีิจารณาเนี่ ผมขันมากมีอยากก็กล่าวพิจารณาให้มากมิจาให้เข้าใจเดนขานโดขั น, ขนความคิดความคุ้มตัวเองพยายามติดตามมันมันเกี่ยวข้องอะไรเอานั้นมาคลี่คลายดูให้มันละเอียดลออบางครั้งกิริยไม่สาคัญสาคัญที่ความเข้าใจเข้าใจอย่างถึงใจแล้วยังไงก็ไม่ถอยในเรื่องที่จะก่อ ไม่ต้องบอกมันร mm. ่อยเองใม้เข้าใจใจท่านต่อยนับเที่ยวนันเที่ยวนี้อย่ไปนับมันจะภาวนาเพื่อนับเที่ยวขินโดยยังกลมเลยสอนเที่ยวใดชนี้เที่ยวหนาเดยนับเที่ยวที่เหลือไม่นับเที่ยวกับเราแต่มันคอบเล็มเร่องหัวใจมีจำนวนเท่าไหร่นับได้หรืออ่านเยอะเยอะขนา เตายาหมือนนั้มันก็หมดมหทั้งห่ปความยิ่งใหญวุ่นวายนักหนาแต่ก่อนมานนหมดไปี่แต่ทาล า, าเยเป็นจบขันธทาตอนนั้นเนยอ่าอยู่พากินพาหลับพ า, านอ น, นอนพาขับพาขันปวดนั้นปวดนีกินดุกดกินยายุ่งกไปดิตามนี้คับมีมอะไร จนกว่ามันจะสลายตัวลงไปจากการผสมกันะะหมดความรับผิดชอบจะว่าหายห่วงก็ไม่ไ ม, ไม่สนิทใจเพาว่าหมดความรับผิดชอบนั้นสนิทใจก็หนักความร้สึกของผมงหายห่วงกูเห็นในห่วงมันนะีะเนี่ยใจกูรู้อยู่แค้ทันอย่างไม่ไดห่วงอะไรมันนี่มันต่างอันต่างอยู่ต่างอยางแต่ความรับผิดชอบมันมีแต่ไม่ไม่ใช่มีแบบ ยึดมันดม่นถือมั่นอุปท า, าปนอะไรก็ต้องแกไขตตดแกงไปตามเรื่องเชื่อนเจ็บไข้เด็ป่วยปวดท้องปดทิ่สะิ้วกรหายอยากรับอยากนอนกับผ้าลงไปตามเรื่องตามรายรับผิดชอบมนันนั่นเองหมดหมดอันนีน้แล้วมันก็หมดตันา อยากให้เพื่อนได้รู้ได้เห็นี่นะสิ่งนี้มันมีอยู่กับตัวแท้แท้นี่ทำไมไม่รู้ไม่ห็นาพิจารณากันยังไงนี่มีแต่ความอ่อนแอมันก็ไม่ได้เรื่อมนะมนที่ยาภายนอกอ่อนแอภายในก็อ่อ น, อ น, น, อนแอเหมกันบอกนี่มาชิดดูเรื่องการดำเนินนี่เราเป็นคนยา่าโอ้พิาจาณาย้อนหลังทุกวันนี้มัน มันกลัวนะ่ะโอ้โหมันทําได้่างั่านนะคือมันทําไม่ได้ทุกวันนี่จะทำเหมือนเมื่ตะก่อนมันทําไม่ได้กําลังมันก็ไม่อํานวยร่างกายคือเครื่องมือไ่อนอูแล้วจิตความมุ่งมั่นพลังของจิตที่ความมุ่งมั่นมันก็มีกํำลังความมุ่งมั่นเป็นเหตุให้ฉุดหน้าร่างกายถู่ความเพียร เดินตรกรมนั่งสมาธิอ่อนหนักเนเพราะความมุ่งมั่นมันพให้มีความเพียรทุกเรื่องทุกเงินมันไปต้องพร้อมกันนีเราพูดตามความจริงเรามุ่งจินเน่าโหมันมดหิวมันจะหายมันจะเป็นจะตาก็เคยล่าหมูกวนฟังแล้วมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องภายในเราเพราะนั้นเรา้ฟังได้เฉพบุคคลการเป็นเวลาที่มาตั้งขับ ก่อนผมบวชผมไม่ได้ที่จะบวช<ๆ>อยู่นานๆหนึ่งๆนะฮะเดี๋ยวพ่อแม่อุพพ่อน้ำตาพ่อร่วงลงให้เห็นต่อหน้าต่อตาแต่ผมยังไม่ลืมที่เขาคู่เท่าหนึ่งที่ดูลายมือเนี่ยหรือผมว่าเรา้เคได้ฟังเนี่ยผู้ใหญ่จะเผียใเถิงผู้ใหญ่ถิงเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่ น, นี่ขยันมากนะเขาเรียกว่าหลานหวงกำแพงขยันมาก เขาก็รียกเรากล้านพ่อพ่อแพงพ่อแพงกับแม่คุ้มหนิพ่อพ่อของแม่นีข่ายันไม่มีใครซู้ในบ้านอยู่ว่างั้นคุณหนหลานลุงกําแพงกับหลานลุงพ่อแพงมันได้ทํางานแล้วไม่มีใครซู้เลยเราก็องสนิทกันในวันนั้นไปมันสนิทกันแล้วก็ไปเที่ยวบ้างคุยกันหนิน้งก็ไปบ้านเราเราก็มาบ้านมันเกลียดผมหนิมันเลยเนขนาดนั้นถ้าไปทำเนียราก็กินกันเลย เราก็เหมือนกันมาบ้านจะมีอะไรมีมีกินเลยถือตันเดียวกันก็มีควนขนาดนั้นเพแาะไม่เราเคยสนชัยเราเคยจะเล่าให้ฟังเราเอาแล้วไปกินข้าบ้านคู่นี่กินข้าวบ้าเฉยเหมือนไม่กินแต่ละเขากินข้าบ้านเราก็เหมือนกันเราเป็เข้าบ้านเขาเหมือนกันแล้ววันหนึ่งอีาคนเหยียอาเท้าปีกวาเนี่ยแต่คนนี่คนคนถุกผมนะคนดูไม่ค่อยดูแ พูดอย่นี้จะพูดถึงจะบวช อ, อย่างนยือนันะจะบวชจะบวชในแล้วพ่อขอดูไา้มือหน่อยนะทำไ ม, ไมพูดมานั่งฟังนี่างนี้จะบวชจะบวชมันก็ได้บวชจริงหรือมห้พนะ่อดูได้มือหน่อยนะยจะไม่พูดนะจะนั่งอยูนั้น น, นี่ใส่ะคนอายุประมาณสิาพก็ปุ๊บแล้วอล้วเ็กจดูผมยังไม่ลืมนะจ้างก็ไม่ได้บวชว่างนี่เลยนะพูดยันยู่นะ คนมิใส่แม่คู่คนเส้นถึงมีจ้างเขามาได้บวชนี่คู่มันติดข้างนี่ติดนี่เหนีย่ยมันจะเอาเมียเร็วๆนี่หนักว่างั่นนะแต่เราก็ยิ่ง ม, มั่นแต่พราะเพราเราไม่ไม่ต้องการจะเอาจะบวชนี่เราต้องการจะเอาเมีอกว่างนั้นดูเสร็จแล้วเอาก็ดูผมว่าเด็เกเขาบอกว่าผมเราด้วยคอยภาษาเรื่ข่อยเจ้าคอยเขากับผมอด้วยคอยนานา มันดูเออคุณนี้ให้แล้วหนึ่งวางนี่ผมอาจะบูผมว่าจะเอาเมียนะว่าจ้างก็ไม่ได้แหน่ยคุณนี้เอาอยู่แล้วยันนะคุณนี้ถึงลูกนี่แหละนี่แหละจะบวชแน่แน่วางนี่เลยนะคุณนีถึงได้บวชที่นั่นก้างก็ไม่ได้บวชเราก็ไม่ได้ไปบวชถือว่าจะเป็นไม่ย่านะนั่งรับพันร่วมวงกันถึงพ่อกับลูกหลายๆลายค น, นแม่ก็นั่งขมนุ่นพ่อก็นั่งของนีง ล, งนลูกเต็มมี น, นี บเวลาจะเป็นนะมีเหตุเนี่ยไม่ยากนะผมการบวดต้องง่ายที่เดียวเวลาจะบวชก็สมนะที่ว่าอ้าจะอเอาเมียที่ร้านนั่ก็ผิดก็พภาดก็ทุกข์ ท, ทีทั้งๆทีพพ่พ่อพ่อกูู่นี่ชอบหมดทั้งนั้นแหละแล้วก็สนุกสนุนกกันทุกวันนี้แล้วไปที่ไหนโอ้โหพอเราขึ้นบ้านไหนก่อนคงทา ง, งาน ปั่นไส้ปั่นไม้กันนี่ช า, างภาพอิสานทุกวันนี้ก็เป็นี้เขาไปเที่ยวกันแต่เข า, าว่าไปเรื่อสาวเขา ว, ขา ว, ขาวข่าสมรภาษาต่างนี่ถ้าเราไปขึ้นบ้านไหนแล้วโอ้เสียงดั่นไปเลยลวันหลังเนอะคื อ, อ พ, พ่อแม่ผู้สาวมันชอบมากแต่ผู้สาวก็เห็นชอบแหละที่เขาอยากได้เ้าเขาเห็นเราขยัน ล, ลูกกันอยู่แล้วนี่ส๊า เราพูนข้าวด้วยกันเงียบๆแบบไม่ได้พูดระยะนั้นนะ ด, ดูพ่อพูดขึ้นมาดูเถอะูก็มีลูกหลายคนลูกผู้ชายแท้ๆปูก็ไม่นั่นหละกับบัคดูวันยาวางนั่นแหละปูก็ไม่เคยยกย่องลูกกู่วันี้ปูปล่อยให้มันทํางานอะไรให้กูแล้วปูเป็นที่นอนไกลเลยกูไม่เคยได้หนักใจกับ การบ้านการ ง, งานอะไรทัางนั้นก็บแบบเนี่ยอนะี้ลงไม่ได้ทำมันเก่งกว่าูด้วยวันนี้ซึ่งพ่อไม่เคยไม่เคยย่อบลูกอะรทำมาไมันลงได้ทาอะไรแนละ้วเก่งกว่ากูด้วยซ้งไปมัสู้ไม่ได้ไอ้นี่แตนี้สาคัญที่แบบกูพูดใหมันบอกให้มันบวชกูสกกีลัยมันนิ่งมันเฉยเหมือนมันมีปากมีดังนนะางนนปากดังตึ้น เฮ้ยนะกูตายลงไปนี้กูคงจะจมงงลงในนรกไม่มีใครจะช่วยรากขึ้นจากนรกหรอกจมกูหวังพึ่งคนเดียวคนนี้แล้วนอกั้นกูไม่หวังพุ่งอันนี้กูมันอาศัยไม่ได้ทุกอย่างหนึ่งเรงการงานหนึ่งทุกอย่างทุกอย่างกูเบาใจทั้งหมดกูไม่เคยได้ต้องตมันเรื่องการเรื่องงานะให้บวชเนี่ยกูพูดมาไม่รู้กี่ครั้งมันไม่เคยตอบไม่เคยพูดอะไรเลยมันมเหมือนไม่มีปากมีดังอยู่หร ตาอันไปนี่คงจม น, นแล้วก็มีใครจะถือเล้าขึ้นเนี่นะเพราะว่านั้นน้าตาล้วงบกบขึ้นปลอดใส่เรามองอยู่นี่แนหะแม่มองมาเห็นพ่อเอาอีา่แล้วล้วงบกบลุกเลยมากินกะ่งน้าลงหนีเลยเอาแล้วหรืเอาไปคิดยนะาาอย่นะพ้าไม่ยินนะนั่นนักันจะบิลนลงบันไดหนีเลยี่ สามวันนะคิดถึงน้ำตาด้วมาคบมาทวนพ่อนนี้นะน้ำตาล่วงยางยกลูกไปเรื่ยกคุ่มแบบคุ่มลงคุณน่า ย, ยกยอก็ยกยอไปคุ่มลงคุณเวลคุณจะให้บวนง่านเนี่ยแบบคุ่มกามทุ่ม่อนผมกดเวลาไปดูหน้าไคุณเน เขาตุ้มเขาตุ้มเขาตุม่ ja อีเคิดแลวเราน่อไม่เคยน้ำตาล้วงพ่อเลยน้ำตาล้วงก็เราดคิดอามากจริงนะไม่สบายหัใจเลยที่ต้องฝาบปอนจริไนะพ่อแม่ก <pod> ็เ <flawless> <hab> ้ยงเรามาเขาทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็มีลูกมี้าวบกลูกก้าวเขาต้องบวชบา แม้แต่เขาสืบคุกสืบตารางเขาก็มีรั้นออกนีไปบวชแม้แต่สืบคุกสืบตารางคนอื่นๆก็ได้บวชไ้เขาก็สืบมาสมปนะบางองค์ท้าบวชจนเป็นสมภารเาวัดสมปกับพเหลืองต้กหมนเป็นอะไรทาไมเราบวชพ่อแม่เล็กเล็กน้น้อยม่ได้น่อย่างหรืออายมณขึ้นิดถูกท้าก็ลงเราป คนทั้งคนเป็นลูกค้ายคนหนึ่งเป็นผมค น, นหนึ่งคนอื่นก็บวกได้แล้วบวชไม่ได้ไปไปไม่่ได้บวชตรงนี้ยังไงพอเหลืองมันจะติดจนกระทั่งตายให้มันตาดีกว่าเข้าม่เลี้ยงมาก็อยากตรงขนาดที่ราคุณร้งองห่มร้องไห้เพราเราไมบวกทังนี้มันพิลึกเหลือ เ, เกินเราเป็นลูกของคนปแปลกมีนิสนยไหมผมก็รู้ว่านั่นสามวันที่ตัดสินใจได้ไม่เคยมาร่วมรักทานกับพ่อแม่เลยะ บัด น, นั่นแล้วบัวจะโดนมันหาได้อีกพอลงใจไปแล้วผมมากินผ้าวแล้วคุณในวงนั้นแหละเอเอาเรื่องจะบวชแล้วบวชให้หวังเลยนะแต่ใครจะไปห้ามไม่ไรนะวะคนบวกว่าบวชแล้วให้ทางนันตีทางนี้เดือนนี้จะเสร็จทางนี้ไม่เอาบวชแล้วให้ถึงเมื่อถึงเมื่อไรจะเสร็จนะแม่ถนั ด, ด, ก, ดกว่ า, าลูกพีาเอ า, อาเถอลูกบววไปบวชมองเห็นต่อหน้าต่อตาแม่แล้วนั้นแหะ ลูกออกมาจากขนาที่บวชนั้นอาจจะมาศึกต่อหน้าคนมากๆแม่ไม่ว่าวางยีนะอะไตลาดเนี่ยเรา่องก็ลงหนึ่งคนไทยเนี่ยไอ้บวชไอ้บวชแล้วออกมาจากอุปชาอุปชาแล้วก็ยังไม่หนีทำอมาจายก็ยังไม่หนีพระสงฆ์ก็ยังไม่หนีแต่คนกําแน่หนนั้นออกมาจะมาศึกต่อหน้าเราาคนนี้มันไม่ขาดหน้านี่โลกกระเทอือนหรือเปล่ไม่บวชจะไม่ดีกว่าหรือบวชแล้วมาทํามันดีกว่าบวชแล้วมาทำอย่างนั้นนี่แะแม่ก็ต้องทราบว่ามันทําไม่ลง เพรารู้อยู่แล้ววันนี้แสงเราเป็นยังไงสองเราไม่เคยเป็นคนเสียหายนี่การคุณเมือ่อคุณชวนขยันไปไหนไมาเราไม่เคยเสียหายเราพูดคุยได้จริงการพุยตัวไม่เคยเท่าเหลือกยันเพราะแม่ว่างั้นกับอ่ะบวชบวชแล้วนี่ข้าบวชเข้าไปเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบุรณ์แบบก็ไม่มีการตําหนิจีเทียนจะตองได้ด้วยหลักคํานีม่ใช่ข้อใดเลย เราจะเอาจีนเอาจังจงกระทั่งวันศุกร์แต่กล่าอย่านามสองปีคือว่ามบวชบวชแล้วทาหน้าที่บวชทั้งสมบูรก็คือเรียนหนังสืออะไรอะรก็แล้วแต่ทหน้าที่สมบูรณ์ก็อ่านหนังสือเรื่องประวัติเร่อพระพุทธเจ้าประวัติพระาวงโอ้โหอ่านธรรมะตรงไหนมันสรดุดเข้าสื่อเข้าทนทีนะนี่ถามมันเป็นมงมันขายอรก็บคนพูดเยอะแเอ๊ะลาดเดียวพลาดเดี อารวัติมือชาเกิดความกรดดขังเงียทั้งสงครามมือชาติน้าตาลวงท่านอาจารบ์พริฆาน้าตาร้วงการ์ความตัดรูปพระพิยาวน้ำตาต้วงอ่านประวัตสงสารลวงขึ้นมาจากคนต่างอุทมเหลือทั้งผลการงาืขึ้นหนโอยน้าตาร่วงเหมือนกันนั่นเราขึ้นหนนเป็นเพศระมัดรับอุจารหนเขาทคนะเื่เื่อยทั้งโลกไปจางไปจางไปหมูนขาเลื่อยอ๋อหน่เราจะออกธรรฐานนีู่เราจะเป็นพระนารายณ์องค์หนึ่ง่ะแต่จะไงก็เรือมาก่อน เรียนไม่เข้าใจพวกเข้าใจเท่าไ่ันจะออกออกออกแน่ๆพูดต่อปาก อ, ออกออกปากพูดเลยแล้วเรียนจบท่านนั้นแล้วจะออกอภิบาลนั่นนะเรื่องแม่เพราะอยากเป็นอาราขันโอ้อยากเป็นกำลังนะเนี่ยเป็นยังมีปัญหาตอนอย่ที่ว่าแลมาวมรรคผลนิพพานยังมีอยู่หรือไม่ไนนะานหราทำให้ลังเลใจ เราขอแต่ครูบาอาจารย์องค์ใดที่เป็นผู้ถึงมาี้แมรคนิพพานด้วยยังมีอยู่และประจักให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วเราจะมอบายสวสตัวสวสชีวิตกับอาจารนั้นเลยพอดีไปเจอท่านอาจารย์มั่นที่ถ้าไปพูดผาผางเหมือนนี่หน้านี่ห น, น้าเห็นไหมว่าคนิพพานตาบอกอยู่เลยไม่ดูเลยเหมือนอย่างนั้นเลยโนก็ลงนทีเขาไปถึงอาจารย์มั่นทีนี้กลนไหนที่นี่น่าเอของนันนะเรื่องสงสัรคนิพพานที่นี่เป็นอันว่าหมดปัญหาแล้วไม่มีทางงสยแล้ว นี่กะาะก็จริงไหม่นจริงสิว่านั่นแหะเรื่องมันถือตั้งแต่บัด น, น, น, น, น, น, น, นั้นมาเร้ยเรื่อความทุกข์ความยากควาลาบาแสสาคนได้ น, นันแหละคนไมเรยมันไม่ขอเพราะความมุ่งมั่นมันมีกำลังมากเนี่ยนะมันไม่ไ้มุ่งอะไรเลยที่แรกก็ที่จะไปสวรที่แรกที่จะไปสมนรโลกบั่งท่คอยอานรวัตสาวกเข้ามาเขาน่ะ มันไม่าะไปที่ยะไ ป, ไปนิพพานชุดท่านมันก็จะไปต่นิพพานอย่างเดียวแบบเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวยเท่ า, านั้นไม่มีปเปอร์เซ็นต์อื่นเข้ามาเกี่ยวพนเลยนิจมันก็พุ่งลงตรงนั้นลงขั้งเดียวเพราะฉะนั้นความเทียน ม, มันถึงเด็กดยต่งไงก็ตามผมหยาบลำบากลำบนทุกขาปฏิปทาครัถ้าสมมติว่า ทันทาพนาปัญญารู้ได้รู้รู้ได้ช้าคุณบอรู้ได้ก็ช้าเป็นที่งานเป็นเล่นนะคิดยอ้อนหลังโอ้โหคือมันกลวงกันอนะ่อยเดนเนี่ยคิดยอ้อนหลังเรของโอ้โหอย่างนั้นมัทําได้อย่างนั้นก็ทําได้อย่ น, น, อยนั้นนะคือทุกวันนี้มันทําไม่ได้ ร่างกายสุขภาพอากำลังวังชาทางร่างกายก็ไม่ อ, าอํานวยแต่การที่สองก็คือความมุ่งมั่นก็ไม่เห็นมีมันไม่มีแต่ก่อนความมุ่งมั่นมันเต็มหัวใจแต่นี้ความมุ่งมั่นไม่มีพูดไปเต็มปากว่าไม่มีเลยเนี่ยมุ่งมั่นอะไรมันก็ไม่มีแล้วจะไปทำมือแต่ก่อนได้อย่างไงเมื่อกําลังใจมันก็ไม่มีงงมระวังโง่กับยอมรับว่าโง่ ความมุ่งมั่นเยียราย่อยจะเป็นพระอรหันต์ก็ดีเอะอยากไปนิพพานก็ดีมันไม่มีมันไปหมดกําลังมันแลมันก็อยู่เฉยเรียกว่าคนหมดกําลังใช่ว่าอยู่เฉยอย่างนี้จะไปสวรรค์ก็แล้วอยากจะไปนิพพานก็แล้วเนอยากเป็นพระอรหันต์ก็แล้วอยากอะไรอะไรมันก็ไม่เห็นอยากของอยู่นี้เฉยแต่เมื่อสรุปความแล้วความไม่อยากมแสนตบานว่างนันก็พอเอาแค่นี้ ความอยากคือความหิวโหยความบกพร่องมันถึงอย่ากมันอิ่แล้วมันจะอยากอะไรเอาคงนี้ก็ดีกว่าวะนั่นเป็นที่เห็นหัวใจของซีคําพูดเหล่านี้ถ้าว่าเป็นคําโกหกกล่าวลวงหลอกลวนก็ให้ปฏิมาตรเมื่อจิตมันได้เข้าถึงความจริงมากน้อยเท่าไรแล้วมันจะยอมตัวงมันเองอยู่ในนั้นเนี่ะมันต้องบอกพระพุทเจ้าพระมีผพานไปได้สองพันกว่าปีหรือแสนปีล้านปีก็ตามเถอะจะไม่มีความหมายในเรื่องการสถานที่อะไรเลยแต่จะมา ความหมายจะมาเต็มในหัวใจรงเดียวนี่พระพุทธเจ้าคืออะไรพุ อ, อยู่ที่ไหนเมื่อเราไม่ส ง, งสัยธรรมชาติแล้วเราจะสงสัยพรพุท้าต่าได้ยังไงนั่นเมื่อเรายู้พรทาตลอดเวลาเขาจะพูดเชงกาวสมมติตลอดเวลาก็ตลอดเวลามนันจริงนันเองนันถึงกัาคว่าอาดีตอนาคตนีความหมายอะไร่ะอะ ตายตที่นั่นเกิดขึ้นมีความหมายอะไรไม่เห็นมีความหมายใจมันหมดความหมายในสิ่งนั้นแล้วเพราะเป็นสมมติต้นรูนสิ่งนั้นทำให้มันพ้นจากสิ่งนั้นเสียหรือว่ามาพึ่งตัวเองหรือก็เห็นมีอยากเพิ่งตัวเองหวังเพึ่งใครมันก็ไม่มีไม่ต้องพูดหรอกอันใดๆนเอาทุนเพิ่มใครก็ไม่มีแมที่สุดท่านจะมาหลังเพึ่งตัวเองนี้ก็ไม่เห็นหวัง ยังเห็นเด่นเล่นพุทธธรรมะพระพุเจ้าไม่เดินที่ไหนนาอะไรนั่นเลยเดินที่หัวใจหรอกธรรมะมาอยู่ที่ไหนธรรมะเท่าใจหัวใจเท่านั้นใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสธรรมทุกประเภทนะแต่ว่าธรรมส่วนส่วนกลางส่วนละเอียดใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสละเอียดสุดก็ตามมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับถ้าเป็นผู้รับรองเป็นเจ้าของสมบัติแห่งธรรมนั้น ไม่มีอันใดก็ไม่มีขันห้าเพขันห้าเท่านั้นแหละนี่ก็เป็นเครื่องมือสําหรับท้ายต้อให้จริงจังนี่จะไปคิดห่วงหน้าห่วงหลังอะไรจะดีพิเศษี่โสในโลกอันนี้มีแ ต, โกกต่โลกเกิดตายโลกเกิดตายสิ่งที่มันเกี่ยวโยงกันคืออะไรความทุกข์ความทรมารความลำบากทั้งด้านร่างกายและจิตใจนี่แยกไม่ออกกับเรื่องความเกิดตายนั้นไปด้วยกัน จนถึงวันตายตายแล้มันก็ยังติดต่อไปอีกเพราใจไม่ตายทุกนี้ทีเดียมีมากน้อยมันก็จะติดตามหัวใจไปเกิดในภบนั้นนี้แแบกองสุ้อย่างเดิมนั่นแหละพลาดลงนั้นมันขาดตะบันลงเสือในวงปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีอะไรติดต่อเลยอดีตตัดขาดอนาคตตัตตดขาดปัจจุบันก็รู้เท่ามายึดอะไรทั้งนั้นเนี่ย สัพเพฒธรรมานัังอันอภิญญาสั้นทำทั้งพวงไม่ควรถีอมั่นนี่เป็นวารสุดท้ายของการปฏิบัติเขาบอกทำทั้งพวงไม่ควรถีอมั่นทั้งพวงกงหมดทำทั้งพวงหมายถึงว่าทำในขั้นสมมติทั้งมวลไม่ควรถี่มั่นนี่ตัดขาดสเพธรรมานตาพุ่งเลยนี่ทำยอดแห่งทำแท้ก็คือสพเพฒธรรมานตาทำทั้งวงเปตัตสิ้นคือสมมติทั้งหมดตอยเพิ่มหมดแล้วอันนั้นเป็นอะไร การต่อคู่อยางมีสมมุลมาขึ้นมาแย้งมันก็มีทางที่จะพูดเช่อย่างนี้ผานไปอ่างกายเราไม่ทราบไปยังไงหัวใจของผมมันกล้ากล้าฟันในกลางกลางเลยอาจารยะคุณว่านบอกนายพไพระประดับมีนี้ผ่านเปนอาคกาถ้าะประดับพระพัดปรดับแหละวะหัวใจมัโง่มันพูดแบบนี้มันเน้นอย่างนี้วางอะไรแบบนี้อจยะคุณน่ะว่า ราคาที่ว่าคัมันเห็นอย่างนี้เลยล่ะอ น, นิพานเป็นต า, าและนิพานก็เป็นปลรลักษณหนักการพิจารณาอันิ้กางทุกขังอนัตตาเพื่อขาิพานอันี้การทุก ข, ข อ, กอ น, นัตตาเป็นทางเดินเพื่อขาิพานแลวปลานิพานมันกลับมามาเป็นอนาาัตตาเองปาิพานาก็เห็นอัจารย์นิพานก็คือไตรลอันนั้นเดง ไม่ว่าอัตตาหรือนัตตาซึ่งเป็นสมมู a, so I i ิด้วยกันทั้งนั้นจิตจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆแล้วแจะไม่เข้าไปยึดในเงื่อนทั้งสทั้งอัตตาทั้งอนัตตาซึ่งเป็นความสมมวยกันเช่นอย่บุญและบาปก็ยังมีอยู่ดันั้นในหนังสือเลยคุณญาปลาปรับเป็นญาบุคคลผู้มีบุญและบาปผ่านทาเส <c oughs> ียแล้วหนักตังณ <f ew dan ati> ิ์บุญบาปเป็นสมมูิเป็นบันไดสำหรับหนุนขึ้นไปหนุนขึมาทั้งเป็นฝ่ายดี บาปเป็นเครื่องกดดวงบุญเป็นเครื่องถนัดหนีไปเหมือนบันไดพอขึ้นถึงที่แล้วบันไดกับคนมันก็หมดปัญหากันไปทางสายทางเดินเข้ามาในวัดเรานี้แต่ต้นนะมันก็หมดปัญหาันไปเมื่อถึงที่แล้วตานละตาก็เหมือนกันเช่นนันมือถึงที่แล้วมันก็ปล่อยด้วยกันทั้งสองเหมือนกับว่าคุญและตาปับไปที่หน้าอืละปล่อยเองรู้มาจากในใจนั่นไม่เป็นอะไรนี่เราพิจารณาอันนี้ตังแล้ว ชัดๆเห็นได้ชัดๆเรื่องอันนี้จรงคือยังไงยังไงพิจารณาทุกขังก็ชัดๆทุกขังเปนยังไงพิจารณาอนัตตาไป็นยังไงยังไงเห็นเป็นชัดๆทีนี่พราพอมันปล่อยอันนี้หมดแล้วมาอันนี้แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างท่านสามนี่เป็นงนั่งมันเห็นประจักษ์หนงจิตมันเป็นสิ่ที่ข้ามกันได้อยูพอมันค้นจากสามสภาพสามอย่างออกมาแล้วอันนี้มันกลับกงข้ามกับนั่นแล้วแล้วยังจะมาจับยัดเข้าไปในอนัตตาอยู่หรืออืม ออกจากภูออกตารางไปได้มันจะจับจัดไปในตารางอยู่เลมันกถ้านั้นก็ดีแล้วว่าคนคนพอดได้งไงมจริงงั้นเสิมันรู้ได้ใจสิโอ้ยพะเจ้าสมัยอยากเชื่ออ ย, า เ, ออยาเชื่อตามตำลำดับตำราแลราเชื่ออะังในกาลามาสุขเชื่อแต่บุคคลที่คนเชื่อได้ท่านหมาจึงทาขัาน้นนี้ขั้นผู้ปฏิบัติธรรมให้เห็นจริงตามลาดับโดยทออั่วถึงอย่างพระสารีบุตรพูด พระทั там, ้งหลายบอกพระชาาบุตรบอกไม่เชื <tal> ่อพระพุทธเจ้าว่างีนพระชายาบุตรอ๋อมันใช่นษาพระสงฆ์ทั้งายตกยกโทษพระายาบุตรเพราะพระายาบุตรนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมลงแม้พระทั้งพรพุทธเจ้าไม่ยอมลงพระชายาบุตรบอกว่าไม่เชื่อพระพุเจ้าว่าง้ราเชื่อเราเองว่าแ่พระพุทธเจ้าปษารพอเป็นงเรียกราชสามพระสายาบุตรเขมาพอเป็นจิยาช่วยจะเทศสอนพวก ตาบอนั่งอย่ไหนใบุได้ถ้ามาฟ้องเรานี่นะวกหัหนวกตาบอดเราพูดภาษาเราจะว่าไงพวกหนหนวกตาบดมันคลานเข้ามานี่มันตำไม้ตม ต, มตอมาฟ้องเราเชื่อจะว่าันว่าเธอน่ไม่เชื่อเราเชื่อเธอองเยียนใช่ไหมวะใ่พระจ้ข้าแน่เป็นค่อยๆจริงไม่เชื่อเราแลพูดถึงเรื่องสรรพิติโกนี่พระ อ, อ, อ, องค์ประธานได้แล้วข้าพระองค์พูดปฏิบัตินี้จริงจริงตามนีรื่ำดับจงกระทั่งจงว่ เชื่อตัวเองไม่เต็นส่ว น, นยอมรับความจริงอันนี้อาทพิธจ้าทรงสอนด้วยหัวใจตัวเองถูกต้องแล้วสารบุตรเราต้องการให้เป็นตัวของส่วนนั่นแหละไม่ให้มากเกาะเบี่ยงเราไมนมายึดเราะผมเหมือนนันทะนันทะเหบนันกันพระนันทาทีา่พระพุทธเจ้าหาอุบายเอาหนีจากดัคคีสินีนานแต่งานนั่นพฮ้ยเจ้า เป็นผู้รับรองทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพราะั้นานนั้นได้พ้นจากเดกินจําจิตสิ่นคุมขังตั้งหลายอันเป็นตัวสมมุติโดยประการทุกดวงแล้วนี่เราก็ปกป้องเธอแล้วที่นี่น่ะเราไม่ได้เป็นภาณะรับรองเธอเหมือนยันตะก่อนแบกถามตธ อ, อนี้่ตะก่อนแล้วก็คำนองเดียวกันนั่นแหละเพื่อสอนให้เป็นตัวของตัวอพท่านเป็นตัวของตัวท่านเป็นส่วนแล้วท่านทราท่ารงรับตังนั้น สอนผ่านทางไหนนั้นาาพวกตาบอดหูหนวกทั้งตาบอดทั้งหูหนวกด้วยพวกนี้ทั้งว่าเปียกเสียแกล้งเสือขาคลานมาก็ล้องลุกคลานด้วยพวกตาแตกวันนี้หกว่างนะต้องเป็นปภาษาเราวนี่ยหาว่าพวกตาดีาเยเ้มไหเสียไป้อิงตาพวกตาบอดไม่มาาว่าจะเอ็งหรว่าอะไรนี่นะผู้เนี่ยการามาสู่ท่านมุ่งให้เห็นตามความจริงเต็ เป็นอนิจจังทุกขังนาตาเนี่ยอาวิธนะไปสิมันไม่วิธนะอ น, นิจจังทุกขังนาตาไม่เต็มภุมเนะี่ยมันจะถอนตัวออกมาไม่ได้พอลงสุกท้ายก็เป็นธรรมานาตาเป็มคุณแล้วมันก็ถอนวางไตรักทณ์ทำถี่พึงออกมาเลยนั่นนั่งจะมาจับยักเข้าไปไตรลักษหรือแตรลักเหรืหอนี่อะไม่เห็นจะพลาดอยู่ในหัวใจเลยแท้นะวังเลยถอนพึงออกมาแล้ว แต่ใจรับเพราะสมบูรณ์กันที่แล้วเหมือนเราเราก้าวขาออกมาจากบันไดมาสู่ที่เชิงชนาดอะไรนั่นก็จับล่างไปอยู่บันไดเหนือเนี่ยพ่อพูดมัน่านื่อยนนดิมันก็พูดตรงนี้มันจะแรงนมันมาหนักก็อนหนักเลยเหนื่อยหัวใจเนี่ยนเหมือนบ้านเราตอนเราพูดธรรมะขันนี้มันเหมือนบ้านจริงท่านปัญญาตรงไหนที่พอจับที่พูดแล้วก็หมุนได้มีไหม ผมก็ <laughs>